เจ้ากรรมในเวรตัวจริงที่เป็นเงาตามประกอบตัวคือกายใจนี่แหละคำว่าเจ้ากรรมในเวรในมนุษทัศไทยเราที่คิดคิดหรือเชื่อเชื่อกันจะมีภาพในทํานองที่ว่าเราเคยไปทำอะไรใครเขาไว้ในชาติก่อนแล้วใครคนนั้นตายเป็นผีผูกพยาบาทพอเจอตัวเราในชาตินี้ก็กัดไม่ปล่อยต่อยม่เลี้ยง บรรดาลให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานาบ้างมาเข้าฝันทำแย่เคี้ยวจะเอาชีวิตบ้างหรือกระทั่งเป็นเงาดำตามสะกดรอยเอาเรื่องเราตลอดบ้างจะต้องทำพิธีกำจัดเจ้ากรรมนายเวรด้วยทางใดทางหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรชนิดผีตามหลังนั้นจะมีจริงหรือไม่จริงขอยกไว้แต่ถ้าพูดถึงเจ้าของกรรมตามพุทธศาสนา ซึ่งผมใช้คําว่าเจ้ากรรมในรายการกรรมพยากรอันนี้มีจริงแท้แน่นอนเจ้ากรรมในเวรของจริงตัวจริงคือกายนี้ใจนี้นั่นแหละกายเป็นของติดตัวให้ผลเป็นความทุกข์ความสุขตลอดชีวิตจิตซึ่งมีสภาพแบบใดแบบหนึ่งเป็นประจําเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าตลอดเวลา กายนี้ใจนี้เป็นเงาตามประกบตัวตลอดไม่ว่าจะหลบไปที่ใดเหาะขึ้นฟ้ามุดลงดินดำลงน้ำถึงเวลาเล่นงานมันเล่นงานได้หมดไม่มียกเว้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีกำบังใดช่วยได้อยากเห็นกรรมและผลกรรมส่องกระจกและสำรวจความคิดดู สองกระจกเห็นอย่างไรนั่นแหละผลของกรรมเก่าผลของการเป็นสิ่งที่เคยทำเสมอเสม อ, สมอปรากฏฟ้องลอนจอนด้วยรูปกายของกำเนิดครั้งใหม่ที่สอดคล้องกันหลักง่ายๆคือคนตามใจกิเลสจะมีรูปสามส่วนคนงามจะงามเพราะสละกิเลส แต่เขาโครงรูปร่างหน้าตาของคนเราไม่ได้คงเส้นคงวาตายตัวอย่างที่คิดคุณเปลี่ยนกรรมหน้าตาก็เปลี่ยนตามแม้อาหารอากาศการออกกำลังกายก็สามารถเปลี่ยนแปลง เ, ลเลงาตัวคุณในกระจกกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของศีลก็เช่นกันเมื่อรักษาศีลได้สะอาดกระทงรู้สึกตั้งมั่นในศีล จะเหมือนมีรัศมีความขาวทอโตออกมาจากภายในผิวเป็นผลชัดรวดเร็วสำรวจความคิดชั่วดีอย่างไรนั่นแหละกรรมใหม่พระองค์ตรัสโ ด, ดยใจความสรุปคือคิดไม่ดียิ่งกว่ามีศัตรูคอยตามล้างตามผลานคิดร้ายเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเหตุร้อน ตามม า, าพินันทนาการอีกเป็นของแถมเมื่อใจยังไม่ตกกระแทกพื้นดวงตกก็ไม่อาจทำให้ชีวิตแตกแน่ๆดวงตกของจริงคือการยอมให้จิตตกต่ำถ้าใจสว่างขึ้นโดยธรรมทุกอย่างจะไม่เลวร้ายถึงขีดสุดหรือเลวร้ายไม่แรงเท่าที่วิบากเก่ากำหนดไว้ สิ่งที่เราเคยเคยคิดในวันวานสิ่งที่เราเคยเคยพูดในวันวานสิ่งที่เราเคยเคยทําในวันวานนั่นแหละที่กำลังรวมตัวกันปรากฏเป็นเจ้ากรรมในเวรของแท้ในวันนี้สิ่งที่คุณคิดๆอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่คุณพูดๆอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่คุณทําๆอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละที่จะก่อตัวปรากฏเป็นเจ้ากรรมในเวรของแท้ในวันพุ่ง